พรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศัตรา2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมเมลาว่าจากการทำพระปิการ ไปตั้งใจมาว่าเพื่อมาสร้างประโยชน์สร้างความสุขเพื่อมาดูดวงชะตาของตัวเราว่าอนาคตของพวกเรานี้ยจะไปที่ไหนกันไม่มีหมอดูคนใดที่จะดูแม่นเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่อยากจะรู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ขอให้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าอนาคตของเรานั้นเป็นอย่างไรเราจะไม่ต้องไปหาหมอดูที่นั่นที่นี่เพราะหมออื่นนี้เขาเรียกว่าหมอเดาหมอจริงก็คือพระพุทธเจ้าตัปปอาหลานตัสาวรเท่านั้นดอกานั้นถือว่าเป็นหมอเดานั่นั้น เดาผิดเดาถูกพูดไปเพื่อให้คนฟังสบายใจแต่คำสอนของพระพุทธเจา้านี้สอนเพื่อแทงใจแทงกิเลสตัณหาให้มันตายไปเพราะตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวกิเลสตัณหานี่เองที่มันคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อมาแทงใจแทงกิเลสที่มีอยู่ในใจใจนี้แทงไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจไม่มีวันตายแต่กิเลสนี้ถ้ามีทำแทงเข้าไปมันตายแน่ๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ใช้ธรรมแทงกิเลสตัณหาต่างๆไปจนหมดไปจากใจแล้วแล้วท่านจึงนํามา สอนพวกเราอีกต่อหนึ่งชีวิตของพวกเรานี้มีทางไปอยู่สองทางคือทางร่างกายและทางใจร่างกายก็ไปสู่สุสานไปสู่เมรอย่างสมเด็จพระสังฆราชร่างกายของสมเด็จพระสังฆราชก็ไปสู่เมรไปสู่ดินน้ำลมไฟ เพนนี่คือที่มาที่ไปของร่างกายของคนเราทุกคนร่างกายของคนเราทุกคนนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟดินก็คืออาหารเช่นข้าวผักที่เรารับประทานเข้ามาในร่างกายน้ำก็คือของที่เป็นน้ำน้ำเช่นน้ำเด่มเครื่องเดิมต่างๆอันนี้เรียกว่าน้ำ ลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันไฟก็คือความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่นี่เรียกว่าธาตุสีดินน้ำลมไฟร่างกายถ้าขาดธาตุาสีเมื่อไหร่ร่างกายก็จะยุติการทำงานทันทีแล้วธาตุสีที่มีอยู่ในร่างกายก็จะแยกทางกันไป เวลาไปเผาเอาร่างกายไปเผานี่ธาตุไฟก็หายไปธาตุน้ำก็หายไปธาตุลมก็หายไปเหลือแต่ธาตุดินคือขี้เท่ากับเศษกระดกนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนสูง หรือเป็นคนต่ำเป็นพระหรือเป็นขาละวาเป็นไปที่เดียวกันหมดคือร่างกายถ้าไม่ไปเผาไปเมนก็ไปสุสานเอาไปฝังแล้วแต่ความเชื่อจะทำแบบไหนมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันเอาไปฝังอีกสักห้าปีสิบปีขุดขึ้นมาดูก็เหลือแต่เศษกระดูก อันนี้คือความจริงของร่างกายอนาคตของร่างกายที่เป็นความจริงแท้ๆที่พวกเราไม่ชอบฟังกันไม่ชอบมองกันชอบไปให้หมอดูหลอกว่าจะร่าจะรวยจะเป็นใหญ่เป็นโตจะได้แฟนคนนั้นคนนี้ให้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นความจริงชั่วคราวเท่านั้นเองได้อะไรมา ในที่สุดมันก็ต้องหมดไปอย่าไปหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่เป็นความจริงมันเป็นความของปลอมของหลอกเราให้หลงละเลิยให้เราต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจไปกับมันไปเปล่าๆชีวิตของพวกเรานี่นิรนกันแทบเป็นแทบตายรีบไปนูน่นรีบมานี่กัน แต่ไม่รู้หรอกว่าในที่สุดก็ไปที่เมนไปที่สุสานไม่ได้ไปไหนจะรีบกันไปไหนจะวุ่นไปกันไปทําไมในที่สุดร่างกายนี้มันก็ไปสู่เมนแล้วสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆวัตถุต่างๆก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องตามไปเมนต่อไป ไม่มีอะไรที่จะอยู่จีรังถาวอในโลกนี้นี่คือทางไปของร่างกายของทุกทุกคนส่วนทางส่วนทางไปของใจนี่ไปได้สองทางเหมือนกันไปแบบไม่กลับและไปแบบกลับไปแบบไม่กลับก็คือไปนิพพานไปแบบกลับก็คือกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่และระหว่างที่เรารับร่างกายอันใหม่ก็ไปพบต่างๆภูมิต่างๆที่เรียกว่าไตรภพไตรภูมินี่แหล ะ, ะมีทั้งพบที่ดีและมีทั้งพบที่ไม่ดีขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ถ้าบาปมีพลังมากกว่า ก็จะเดินไปสู่อบายเช่นไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะเดินไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมและถ้ามีบุญที่มากกว่าก็จะไปถึงชั้นพระอริยเจ้า ไปชั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์เมื่อถึงพระอาหารหันต์ก็จะไปถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้ายัางไม่ถึงพระนิพพานถ้าถึงขั้นพระอนาคามีก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพคมแล้วก็ไปถึงพระนิพพานต่อจากนั้นจะไม่กลับลงมาสวรรค์ชั้นเทพ จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานนี่คือพระอนาคามีคคำว่าอนาคามีก็คือผู้ที่ไปแล้วไม่กลับมาไม่กลับมาสู่การมาพบการมาพบก็คือพบของเทวดามนุษย์และเดรัจฉานเป็นต้นนี่เป็นที่อยู่ของผู้ที่ยังมีความปรารถนา ที่จะหาความสุขจากการเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะยังอยากมีแฟนยังอยากมีสามีอยากมีภรรยาพวกนี้ยังไปแบบไม่กลับไม่ได้ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับก็ต้องตัดการมะตัณหาความอยากในการไม่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ถละกามตันหาได้ก็จะเป็นพระอนาคามีจะไปแล้วไม่กลับมาสู่การมาพบแต่ยังต้องไปเกิดอยู่ที่สวรรค์รูปภพอารูปภพแล้วก็จะไปถึงพระนิพพานตามลําดับต่อไปถ้าถึงพระนิพพานนี้ก็ไม่กลับมาเกิดใดใดพบเลยไม่กลับมาที่รูปภพอารูปภพหรือกามาพนบ กายภพนี้มีอยู่สามการมาพบก็คือที่อยู่ของผู้ที่เสกการมได้แก่เทวดามนุษย์เดชะชานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกพวกนี้ยังติดในกามลอยู่ยังอยากจะเสบกลามอยู่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาก็ต้องละกายมะตัญหาให้ได้ ละความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายนี่คือทางไปของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้มีสองส่วนมีร่างกายและมีใจร่างกายก็ไปสุสารไปสู่เมนใจก็ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดจุดหมายปลายทางเหล่านี้ก็เหมือนกับจุดหมายปลายทางที่เราเดินทางกันเราจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องตีตั๋วก่อนจะไปขึ้นเครื่องก่อนจะขึ้นเครื่องก็ต้องไปตีตัว๋วเราก็จะเลือกจุดหมายปลายทางว่าเราอยากจะไปทางไหนไปเหนือไปเชียงใหม่ก็ต้องตีตั๋วไปเชียงใหม่ อยากจะไปใต้ไปภูเก็ตก็ต้องตีตั๋วไปภูเก็ตถ้าไม่ตีตัว๋วหรือตีไปที่อื่นเช่นอยากจะไปเชียงใหม่แต่ตีไปอุดรก็จะไปไม่ถึงเชียงใหม่จะไปถึงอุดรแทนฉันใดที่ไปของใจของพวกเราก็ต้องตีตั๋วกันตั๋วที่เราต้องตีก็เรียกว่าบุญหรือบาปถ้าตีตั๋วบาปก็ไปสู่เดะชะฉาน ไปสู่เปรไปสู่อสูรกายไปสู่นรกถ้าตีตั๋วบุญก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นเทศสวรรค์ชั้นผมสวรรค์พระอริยเจ้าสวรรค์ชั้นพระนิพพานเราต้องตีตั๋วกันอยู่ดีๆจะไปเองไม่ได้และไม่มีใครที่จะพาเราไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่สามารถที่จะตีตั๋วแทนพวกเราได้พวกเราต้องตีตัวของเราเองวิธีตีตั๋วก็คือการกระพฤติการประพฤติการกระทําทางกายทางวาจานี้เองถ้าประพฤุธไปในทางบุญก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าประพฤติในทางบาป ก, ก็จะไปสู่นรกชั้นต่างๆอบายชั้นต่างๆ นี่คือการตีตั๋วซึ่งพวกเราก็ตีกันอยู่ทุกวันวันวันวึงลองสำรวจดูว่าวันนี้ตีตั๋วกี่ใบแล้ววันนี้ตีตั๋วบาตกี่ใบแล้ววันนี้ตีตั๋วบุญกี่ใบแล้วเราสะสมบุญสะสมบาตเหมือนกับเราซื้อตั๋วสะสมไว้พอถึงเวลาที่ร่างกายต้องไปสู่สุสานไปสู่เมรุ เราก็ต้องออกเดินทางต่อไปเราก็ต้องเอาตัวที่เราตีนี่มารวบรวมแล้วดูว่าตัวไหนมีมากกว่ากันถ้าตัวบาปมีมากกว่ากันก็เตรียมตัวไปเป็นเดรัจฉานได้ไปเป็นเปรตได้ไปเป็นอสูรกายไปตกนรกได้ถ้าตัวบุญมีมากกว่าตัวบาป ก, ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพชั้นพรหมพาน ชั้นอริยเจ้านี่คือลึอจุดหมายปลายทางของชีวิตของพวกเราที่พวกเรานี้สามารถกำหนดได้และไม่สามารถกำหนดได้ชีวิตของพวกเราทางร่างกายนี้เราไม่สามารถกำหนดได้จะกำหนดอย่างไรมันก็ต้องไปอยู่ที่สุสานหรือไปที่เมรุเท่านั้อาจจะกำหนดจุดหมายปลายทางได้ว่าเอาไปเผานะหรือเอาไปโรงพยาบาล เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลไว้เป็นอาจารย์ใหญ่หรือจะเอาไปฝังในสุสานก็เลือกได้เท่านี้แต่บางทีก็เลือกไม่ได้บางทีไปตกเครื่องบินตายหาซากศพไม่เจออย่างนี้ก็ต้องไปตามธรรมชาติแล้วแต่ธรรมชาติจะพาไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่ไปของร่างกายของพวกเรา ที่พวกเราไม่ควรที่จะไปวุ่นวายกับมันมากให้เหนื่อยไปเปล่าๆให้สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่พวกเราไปเปล่าๆสู้ปล่อยมันดีกว่ามันจะไปทางไหนก็ให้มันไปมันจะไปเมรก็ให้มันไปมันจะไปสุสานก็ให้มันไปมันจะไปกับธรรมชาติไปกับดินกับน้ำกับลมกับไฟก็ปล่อยให้มันไปเราไม่มีทางที่จะไปบังคับ มันได้ไปห้ามมันได้ถ้าเราพยายามที่จะไปห้ามไปบังคับมันมันจะทำให้ใจเราทุกข์ให้ใจเราร้อนแล้วถ้าเราไปห้ามโดยวิธีการทำบาปก็จะสงใจเราไปสู่อาบายสูรห้ามมันด้วยวิธีทำบุญดีกว่าเช่นรู้ว่ามันจะตายก็รีบทำบุญกันเสียแต่บัดนี้ทำบุญแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุข มีความสบายอย่าเอาเงินนี้ไปเลี้ยงดูร่างกายมากเกินไปเลี้ยงดีขนาดไหนรักษาดีขนาดไหนมันก็ต้องตายอยู่ดีเช่นเวลาจะเข้าโรงพยาบาลก็อย่าไปเสียเงินเสียทองเป็นล้านเลยถ้ามันจะหายมันก็หายถ้ามันจะไม่หายมันก็ไม่หายเสียค่สา3สบาทก็พอคนฉลาดเขาจะเลือกส0สิบบาท คนโง่จะเลือกโรงพยาบาลเอกชนแล้วเสียเป็นล้านเสียเป็นล้านก็ตายเสียสามสิบบาทก็ตายถ้าจะตายถ้าไม่ตายเสียสามสิบบาทก็ไม่ตายเสียล้านก็ไม่ตายสู้เอเงินล้านนี่ไปเสียที่โรงพยาบาลมาทำบุญดีกว่าจะได้เตียตีตั๋วบุญจะได้ส่งใจไปสวรรค์ดีกว่าไปทำบาปเพื่อหาเงินมารักษาร่างกาย ตายไปก็ต้องไปใช้บาปเนี่เราต้องรู้จักวิธีที่จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเราอนาคตของพวกเรานี้ครึ่งหนึ่งเรากำหนดได้อีกครึ่งหนึ่งเรากำหนดไม่ได้ครึ่งที่เรากำหนดไม่ได้อย่าไปเสียเงินเสียทองอย่าไปทำบาปทำการเพื่อมันเลยมันได้ไม่คุ้มเสียเช่นทำบาเพื่อรักษาชีวิตนี้อย่าไปทำพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาบุญให้สละทรัพย์เพื่อรักษาบุญให้สละอวัยวะเพื่อรักษาบุญให้สละชีวิตเพื่อรักษาบุญดีกว่าเพื่อทำบุญดีกว่าอย่าไปทำบาปเพื่อจะรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปทำบาปเพื่อรักษาอวัยวะอย่าไปทำบาปเพื่อรักษาชีวิตเพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะยังไง ไอ้ร่างกายนี้มันก็ต้องไปสู่เมนไปสู่สุสานอยู่ดีแต่ใจนี่สิมันจะต้องไปรับผลบาปอีกต่อไปมันจะต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำํำสละทรัพย์เพื่อสร้างบุญสละอวัยวะเพื่อสร้างบุญสละชีวิตเพื่อสร้างบุญตายไปนี่ใจเราไปสวรรค์ไปพระนิพพานาเลย นี่เราต้องรู้ความจริงอันนี้พวกเราไม่รู้ความจริงอันนี้กันเราเลยทํากับตาละปัดกั น, แ, กนแทนที่จะทําบุญเพื่อสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเรากลับทําบาปเพื่อรักษาทรัพย์รักษาอวัยวะรักษาชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้อยู่ดีนะทุกคนในที่สุดก็ต้องตายไปงั้นอย่าไปตายด้วยการทําบาปเลย ตายด้วยการทำบุญดีกว่าเพราะใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายใจจะต้องไปอีกจุดหนึ่งจะไปจุดไหนก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ทำนี้เองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรูถ้าพวกเราไม่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าพวกเราจะต้องทำบาปกันทำบาปเพื่อ หาเงินหาทองทำบาปเพื่อรักษาอวัยวะทำบาปเพื่อรักษาชีวิตกันเพราะไม่รู้กันว่าทำแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียอย่างคนที่ไม่เข้าวัดสังเกตดูคนที่ไปทำบาปต่างๆเขาคิดว่าไม่มีผลตามมาอย่างมากก็แค่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเท่านั้นเองแต่ตายไปแล้วเขาก็คิดว่าจบ เราคิดว่าร่างกายกลายเป็นดินใบกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นกระดูกไปแล้วก็จบมันไม่จบไอ้ส่วนที่ไม่จบนี้เขามองไม่เห็นเพราะใจนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่เหมือนร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆจะเห็นร่างกายได้นี้ต้องเห็นด้วยตาในจะเห็นตาในก็ต้องเปิดตาในวิธีจะเปิดตาในก็ต้องหลับตานอก แล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปแล้วเดี๋ยวตาในก็จะเปิดขึ้นมานี่แหละวิธีที่กูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้พุโทโธพุธโทโธกันนี้ก็เพื่อให้พวกเราได้เปิดตาในกันเพื่อเราจะได้เห็นสิ่งที่ตานอกไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือใจที่เป็นกายทิพย์เป็นร่างทิพย์นี้เองนอกจากร่างทิพย์ของเราแล้วเรายังจะเห็นร่างทิพย์ของคนอื่นด้วย รางทิพย์ของเทวดาล่างทิพย์ของใครต่างๆนี้เห็นได้หมดถ้าเปิดตาในแต่ตอนนี้ตาในของพวกเรานี้ปิดสนิทมองไม่เห็นมีแต่ตานอกเห็นแต่ของข้างนอกเห็นแต่ร่างกายเห็นแต่เท่าของเงินทองต่างๆก็เลยไปหลงกับของภายนอกกันแล้วก็ไม่รู้ว่าหามาได้เท่าไหร่มีมากน้อยเท่าไหร่ก็ เอาติดตัวไปไม่ได้จะต้องเสียหมดเวลาร่างกายตายไปนี้มีเงินกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดมีภรรยามีสามีกี่คนก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดมีรถยนต์กี่คันก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดมีลูกกี่สิบกี่ร้อยคนก็กลายเป็นของคนอื่นไปหเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญและบาต ท, ที่ทําไว้เท่านั้น ดังนั้นเราเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราเอาไปได้สองอย่างก็คือบุญกับบาปและสิ่งที่เอาไปนี้มันก็มีคุณและมีโทษนะ mm hmm. ก็อย่าเอาสิ่งที่มีโทษไปบาป ม, มันมีแต่โทษบุญนี่มีแต่คุณเอาบุญไปเอาบุญไปแล้วก็จะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าต่อไปเอาบาปไปก็ต้องไปเจอกับพระเทวทัตนี่พระเทวทัตนี่เอาบาป ถึงเวลาตายไปเลยต้องไปตกนรกเพราะทําอนันตริยกรรมพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าพยายามทําให้สง์เกิดความแตกแยกพอตายไปเนี่ยนะก็เลยต้องไปไปใช้บาปไปเกิดในนรกไปอยู่ในนรกจนกว่าบาปที่ได้ทําไว้หมดไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และได้มาปฏิบัติธรรมใหม่ และได้เป็นพระพุทธเจ้าตามลาดับต่อไปนี่คือเรื่องของอนาคตของพวกเรามีสองที่มีสองทางทางของร่างกายก็ไปสู่เมงไปสู่สุสานอย่าไปทำบาปเพื่อรักษาร่างกายเลยไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเพราะถ้าทำบาปใจก็จะต้องเอาบาปไป ถ้ามีบาปไปก็ต้องไปสู่อาบายเท่านั้นไปที่อื่นไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รักษาร่างกายด้วยการทำบาปเราเลี้ยงดูร่างกายด้วยการทำบุญมีเงินมีทองเราก็เอาไปทำบุญกันแบ่งไว้ให้ร่างกายพออยู่พอกินก็พอไม่ต้องไปเสียเงินทองให้มันมากมายกายก่อนไม่ต้องไปเสียเงินเป็นล้านไปรักษาร่างกายไป รักษายัางไงมันก็ตายอยู่ดีไปยืดเวลาให้มันทรมานไปเปล่าๆนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเราได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ฟื้นอยู่ดีในที่สุดก็ต้องไปสู่เมรุไปสู่สุสานอยู่ดียันสู้เอาเงินที่จะไปรักษาร่างกายเป็นล้านนี้เอาไปทําบุญดีกว่าเพื่อเราจะได้มีบุญพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆต่อไป นี่คือความจริงไม่มีใครจะดูอนาคตแม่นเท่ากับพระพุทธเจ้าแม่นเท่ากับพระอาหารหันตสาวกไม่ต้องไปดูหมอดูคนอื่นให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะเขาดูไม่เป็นเขาดูได้แต่แต่ดูแต่ตามความรู้สึกนึกคิดของเขานั่นเองเขาเอาดาวดวงนั้นมาผูกกับดาวดวงนี้เอาพระจันทร์ไปผูกกับพระอาทิตย์ แล้วก็ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกอนาดวงดาวมันจะไปรู้เรื่องอะไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันจะไปรู้เรื่องชะตาชีวิตของเราอย่างไรชะตาของมันมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ดวงดาวแต่ละดวงนี้มันจะดับไปเมื่อไหร่มันยังไม่รู้เลยแล้วมันจะมาเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของเราได้อย่างไรชะตาชีวิตของเราอยู่ที่การกระทาของเรา อยู่ที่บุญที่บาปเราทำนี้เท่านั้นแหละอันนี้แหละคือความจริงที่พวกเราไม่ยอมรับกันไม่ยอมมองกันชอบไปถามหมอดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอายุจะยาวหรือจะสั้นหมอดนูยังไม่สามารถบอกชีวิตของตนเองได้เลยว่าอนาคตของตนเองจะยาวหรือจะสั้นเราจะไปบอกอนาคตของคนอื่นได้อย่างไร ยอย่าไปลงงมงานให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าเพราะว่านี่เป็นของจริงของแท้เชื่อแล้วเราก็จะได้กำหนดชะตาชีวิตของเราได้อย่างแม่นยำอย่างถูกต้องตอนนี้พวกเราทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิตทางด้านจิตใจได้ส่วนทางด้านร่างกายนี้เรากำหนดไม่ได้มันจะตายเมื่อไหร่จะตายแบบไหนจะตายที่ไหนเรากาหนดไม่ได้ แต่ใจของเรานี่เรากำหนดได้จะให้มันไปอบายก็ได้จะให้มันไปสวรรค์ก็ได้อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันอยู่ทุกวันนี้จึงขอให้โลกพวงเราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปเชื่ออะไรทั้งนั้นในโลกนี้เพราะว่าเป็นพวกถูหนวกตาบอดทั้งนั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่มีตาดีที่เห็นเรื่องของใจได้ จึงขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ใเพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้